บุตรท่าสามแผงกวาโตมุบ้นแงกานลมังกลังะรมาเจ้งแผงวดโตอารหโตสมัยชัมุทสมนาอจสรงกวาโตอรให้โต สมัยสมุทัสสันางอัจักรังแทวาตออรหันตสมัสมุทัสสัมหเสนปมานเลนนาชาววัดใจแยนกตตัง ทางบังอาปาลาทางกรรมตนนอหันแจมหเชลามาเลนาท้าววัดเตียนกตังบังอปลทางกรรมตนนอันมหเลมาเนา อาวาระตทียนกตังธรรมอาภรณ์ธรรมัมมสุนโนภัจเทีนี้คำว่ามหาเทเดประมาเดนะนั้นได้พิจิตรถึงพระสมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ได้กักตุนไว้เลยพระมหาเทระชั้นที่หนึ่งคือพระสมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย ชั้นที่สองพระประเจกทั้งหลายชั้นที่สามอารหันต์ตาชีนาศพทั้งหลายชั้นที่สี่พระอนาคามีทั้งหลายชั้นที่ห้าพระสะกทาคามีทั้งหลายชั้นที่หกพระสวสดาบันทั้งหลายพระมหาเถระทั้งหลายเหล่านี้ที่เป็นโลกุตระมหาเถระเป็นเอกเทศบ้างแล้วก็โดยชิ้นเชิงบ้างเป็นลำาดับจนถึงพระสมาสัพพเก้า เมื่อพวกเราทั้งหลายได้ทำเิจท่านด้วยกายกรรมสามวิกีกรรมสี่มโนกรรมสามมาแต่ในพบก่อ น, ก, อนก็ดีปัจจุบันนี้ก็ดีจะเป็นไปในครั้งหน้าก็ดีขอให้พระมหาเทระทั้งหลายเหล่านี้เหล่านั้นเหล่านั้น จึงทรงอุท i t ให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่โดยทุกเมื่อมามีประมาณตามเท่าเข้าสู่พระนิพานชั่วท้ายพวกเราจงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกน้อยชอบโดยโด่วนโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเทินในระหว่างพวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี่ก็ดีที่ไม่ได้มาในที่นี่ก็ดีทั่วทั้งไตรโลกา ต่างฝ่ายต่างทําเพลกันด้วยกายกรรมสามเมื่อกีกรม 4, มกรมสีมโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งมาแต่พบก่อนก่อนก็ดีจนจําไม่ได้ก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีขอพวกเราทั้งหลายทุกท่านหน้าทุกท่านใจโรกาจงให้อโหัวสิกรรมแก่กันและกันทุกท่านหน้าอยู่โดยทุกเมื่อผูกขาดจองขาดตามเท่าเข้าสู่พระนิพาน คนวทายพวกเราทั้งหลายเมื่อสละเวียนไทยแก่กันและกันทุกทวนหน้าโดยเด็ดขาดแล้วยกประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโอยชอบโดยด่วนตามความประสงค์ของตนทุกทวนหน้าโดยไม่เหลืออยู่ทุกนาทีอาห้างตรงนี้ฮิเบเบะของมีตะวาง ยัาวาพังกตังกรรมังกุตเรียนเดพะหิยัสีโตมังโลกังวภาเสิจิปมตุวจันติมาอะภิวาชนะสีริศานิจังวุฒาปจาเยนุจตารูธมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลังมีปัญหาว่าเราทําวัดทั่วทั้งไตโรกธาต์มันไม่ผิดหรือมันไม่ผิดเพราะเราเคารพทำอันไม่มีเวรไม่ภัย เราถือว่าเขารบทำอันไม่มีเวเนัยสบเบเวโลจนามาการพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนยงทรงอยู่ที่หัวใจแต่และท่านแต่และคนเราก็อยู่คงชีพด้วยพระพุทธศาสนาเพิรุณาลงอยู่ที่หัวใจชาวพุทธหัวใจชาวพุทธจะอยู่ได้หรือ เราก็เหมือนงวดมวยสุดสิ้นสกุลพุทธไครรานไครลูกเล่าชาวพุทธอันรอที่สุดอยู่ที่หัวใจขนของกรรมจะตามถึงที่สุดอยู่ชั่วการนาในทางรบพระพุทธศาสนาไม่มีอยู่แล้วใส้กฎหมายใดๆของชาวโลกก็ตั้งไม่อยู่อูของธรรมไม่นำคำหนึ่ง ก็หมดที่พึ่งพิงอิงอาศัยชาวไตรโลกายาประมาทพระพุทธศาสนาเถิดคําสอน ใ, นใดในไตรโลกธาตุมันเป็นเมืองขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาหมดพระสอนมนุษย์สมบัติเต็มภูมิสอนสวรรค์สมบัติเต็มภูมิสอนพรมสมบัติเต็มภูมิ สอนนี่ผ่านสมบัติเต็มภูมิแล้วไม่มีนักทิใดๆจะมาสอนละเอียดละออเหมือนพระพุทธ ศ, ศาสนาเลยเหตุนั้นพระพุทธศาสน า, า, ามาเป็นยุกยุคยุคยุตั้งอสงไข่ก็อสงไข่ๆๆกับก็ตามก็มาสอนอันเดียวกันและไม่ได้ลบล้างพอรบกันเลยเพราะถูกตรงแลว้วไม่มีค้อพ่อข้อแม่ข้อแข่งดีแข่งเด่นกันเลย จึงทรงพนาว่าสัตธาเทวมนุษย์สานังเมื่อเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเต็มภูมิทุกๆพระองค์แล้วบางท่านพระไม่ควรเอาการบ้านการเมืองมาพูดพระไม่สอนบ้านสอนเมืองจะไปสอนผีตัวไหนนี น่วยกา ย, ยกรรมคือทําอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาฝ่ายขลารวาสน่วยพูดอะไรอะไรประกอบด้วยเมตตาน่วยนึกอะไรอะไรก็ประกอบด้วยเมตตาสีด้วยความเป็นผู้ไปไม่ปิดประตูคือห้าไม่เข้าบ้านเรือนห้าด้วยให้อเวสสถานสมณพราหมณ์ีภิกษุสมณีได้รั บ, บรนุญชนีแล้วย่อมอนุเคราะห์ชาวโลกด้วยสถานห้า หนึ่งห้ามกระทำความชั่วสองให้ตั้งเนื้อความดีสามให้ศึกษาศิลปวิทยาออสามให้ฟังอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอันงามสีให้ฟังสิ่งที่ยังเคยฟังห้าทำสิ่งที่ฟังแล้วให้แก่ 6. กบอกทางสวรรค์ให้หนักนักพระพุทธศาสนาสอ น, นอย่าหมดแล้วไม่มีใครจะสอนเหนือเลย จึงเรียกพระองค์เองว่าสยามภูเป็นผู้ตัดสรุปเองทุกๆพระองค์ถ้าพระทรรมไมมีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทําได้ถ้ามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทําได้เหตุนั้นเราจึงเคารพรมสัตธรมรมูขักาตัปปุเราไม่สําคัญตัวว่าเยอะหญิงจองหอมเราทําไปพระบรมสา ร, ราทุกๆพระองค์ก็เหมือนกันทําเบื้องต้น ก็คือมนุษย์สมบัติฉวันสมบัติภูมสมบัตินิพานสมบัติไปในตัวแล้วทาเบื้องใต้ก็มีแต่นิพานสมบัติล้วนๆทาเบื้องกลางมีมนุษย์สมบัติแจ่มภูมิอยู่บ้างเราจะลาพวกท่านไปละในมหาปาริณีพานโสวน สินสมาธิปัญญาสิ่งใดๆมนุษย์สมัติสวรรค์สมบัติภมสมบัติเราก็เทศสนาหมดแล้วทำคำสอนของเรานั่นเองจะเป็นทาสตาดาเจนชาวโลกทั้งปวงอย่าพากันประมาทเถิดถ้าหากว่าเราตอนนั้นญาติโยมก็ไม่ได้สอนคารวาสก็ไม่ได้สอนฟิกุซามเรนกไม่ได้สอนเทวุเทวดาก็ไม่ได้สอน เราก็จะเพ่งโทษเราเ อ, อ, อยู่แต่เราไม่ได้มีการเพ่งโทษเราเลยเราสอนหมดแล้วใครเอาไปปฏิบัติก็ได้รับผลตามส่วนควรค่าของปฏิบัติพระธรรมย่อมปฏิบัติผู้รักษาไม่ให้ตกไปในที่ชั่วพระสงฆ์ปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพุทธเจ้าแล้วสอนผู้อื่นให้รู้ตามด้วยทงสั่งสอนสามอย่างทรงสั่งสอนนผู้้ฟังอาจจะ ตองตามมาเห็นจริงได้เป็นอัจฉรยะคือผู้มีทรงสั่งสอนอาการที่พระเจ้าทรงสั่งสอนสามอย่างทรงสั่งสอนเพื่อจะให้ผู้ฟังรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นทรงสั่งสอนมีเหตุที่ผู้ฟังอาจจะตรองตามให้เห็นจริงได้ทรงสั่งสอนเป็นอัจฉรย์คือผู้ปฏิบัติตามย่อมได้ประโยชน์โดยสงวรแก่การปฏิบัติเนี่ยเนี่ยกับปาฏิหารเนี่ย อิธิปาฏิหาริย์เป็นอาตจันทร์อาเทศนาปาฏิหาริดักใจเป็นอาตจันทร์อนุสาชนีปาติหารินั่นเองคําสอนเป็นอาจจันทร์เนื้ อ, อเนื้ อ, อเหนือปาฏิหาริย์จงปวงแล้วคําสอนคําดีได้ดีคำชั่วได้ชัว่วมีจริงอยู่ ถ้าทําดีไม่ไดดีทำเชั่อมันได้ชั่วเราก็ไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเหมือนกันถ้ากรรมและผลของกรรมที่ทําดีทำเชื่วไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันอันนี้มันมีอยู่จริงๆแล้วปฏิเสธไม่ได้ทําไมจึงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเพราะสร้างบารมีแจ้กล้ามาแล้วทําไมเขาจึงไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเพราะบารมียังอ่อนอยู่ สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงในใจโลกธาตุมันก็จะไปพระนิพพานหมดแต่ก็ต้องมาเลื่อมใสศาสนาพุทธเสียก่อนจึงจะไปพระนิพพานได้เช่นพระโมกคันลาสาตีบุตรก็มาจากาศาตสตราอื่นมาเลื่อมใสศาสนาพุทธของเราจึงสามารถถึงพระสวัสดิวันสัจธรรมมีนาคามีอ ร, ร, ราหันต์เป็นลําดับไปนั่นทําไมจึงมีผู้เคารพนับถือพระพุทธศาสนาหน่อยนัก เพระกรรมและผลของกรรมยังหนักอยู่จึงมีผู้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาน้อยแต่เขาก็จะไปแห่งเดียวกันกับพวกเราพระน涅พานในนัดที่อื่นไม่มีเลยมีพระน涅พานในศาสนาพุทธเท่านั้นมหาปรินิพานสูตรสุภะตะกราบทูลพระบรมศาตสตร์ดาว่านัที่อื่นถ้าไม่ประมาทยัญยะยะวิธีของเขา เขาก็ ส, สามารถจะถึงสุพเทปโนโอุชโยยายะบ้างหรือไม่สามีบ้างหรือไม่พระเจ้าข้าย่าเลยอย่าเล ย, ย, เ, ลยเราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างธรรมเหตุนั้นเราจึงเคารพธรรมรัทเช่อื่นศาสนาอื่นไม่มีสุพเทปโนโอุชุยยายะสามีหลอกเพราะหนักไปในทางวัตถุนิยม วัตถุนิยมเราก็ชมวาได้อยู่แต่อยู่ใต้อู่ของอ น, นิจจังไมเจรังยังยืนเสียแลว้วแม้จะหามาได้ในทางที่ชอบก็อ ย, อยู่ใต้อำนาจอ น, นิจจง ทุกครังอนัตตาเสียเนี่ไม่จริงดังยั่งยืนเกิดขึ้ น, นแป ล, ปล้วก็แปรปรวนแตกสลายวัตถุนิยมก็ทำขึ้นมาจากธาตุดินน้ำไฟลมแต่ก็แต่ไปเป็นดินเป็นน้ำเป็นไฟเป็นลมนั่นเองหาได้เป็นเันอื่นไม่เหตุนั้นเราจึงไม่ยืนยันทางวัตถุนิยมหน้าเดีย<ม>ว่าจะพาเข้าสู่พระ涅槃พระบรมศาสตาสอนเก่งคำสอนแต่ละบทละบาทส่งต่อพระนพ涅槃หมดผู้บา ร, รมีแกกล้ามาแล้ว ฟังแพลบเดียวก็ถึงพระรหันยกอุธาหอนเช่นพระพาหิยะไปรบกวนพระบรมราศาสนเทศให้ฟังขอให้องค์สาเร็จพระบรมศาสนเทศให้ก้าฟังด้วยเออในเวลานี้เรากำลังบินสวาดอยู่เธออยากมาให้เราเทศมันก็ไม่งาม บางทีพระบระมมัสสัดดาชิ่นลมปางเดี๋ยวนี้ก็ได้บางทีกับผมก็ได้พระเจ้าข้าเออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นเออครับพอแล้วแต่ฉนันในปฏิสัมพัาสีด้วยสำเร็จพระรหารด้วยทำไมยังเป็นอย่างนั้นเพราะบาแล้วมีแก่กล้ามาแต่ขั้งพระเจ้ากัจจปะแล้วนัดนัดนัดทแต่ละวัลบาสส่งต่อพระเนป า, านทั้งนั้น เทศกันเดียวกันบางท่านก็ถึงเตระนาคมบางท่านก็ถึงพระสวดิวันบางท่านก็ถึงพระละหันยกุฏหอนที่พระบรมศาสราไปเทศอยู่ที่ถ้ำสุกรขาตาสุกระขาตาข้างภูเขาคิดจักูดหนึ่งที่คณะอักทิเวศนาโคดมาฟังท่านกเทศสูงขึ้นไปเทศสูงขึ้นไปจนถึงขั้นห้าว่า ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาตตาบุดดังหัวสีเกิดขึ้นแล้วก็แตกสลายไปส่วนภาษาเรบุตรทำงานพัดอยู่ข้างหลังก็สำเร็จพรหันแล้วส่วนท่านทีคณะอคีเวสนาโคตนั่นเพียงถึงไตานาคมเท่านั้นนั่นนั่นกันเทศกันเดียวกันมันก็ขึ้นอยู่กับบรารมีแก่ข้ามาแล้วเป็นเกณฑ์ เจ้าอาราวาไม่จ้องค์ยี่นี่เข้ากับเจ้าอาราวาดขึ้นกันเละนัตถิพราพเรนายกาคนผ่านไ้ใช่คนหัวหน้าพระบรมศาสตร์นะปัญญาพเรนายกาบัณฑิตเท่านั้นเป็นคนหัวหน้า ตาความรักไข่ปาสน า, าให้เป็นสุขกระนาความสงสารที่จะช่วยพ้นทุกข์มุทิตาความพรอยยันดีเมื่อฝืนได้ดีอุเบกขาความวางเฉยไม่ดีใจไม่เสียใจเมื่อฝืนถึงความมีบัติมันเหลือวิสัยใจช่วยเหลือสี่อย่างนี้เป็นเครื่องอยู่ของท่านผู้ใหญ่คำ ส, สอนไหนที่พระบรมศาลาไม่สอนไม่มีเลยสอนหมดแล้วมนุษย์สมบัติเต็มภูมิแล้ว เอา้าถ้าชาวโลกไม่สิ้นห้าบริบูรณนับแต่รูเดเลียงสามาสงครามก็ไม่มีตำรวจก็ไม่มีทหารก็ไม่มีรบราค่าฟันกันก็ไม่มีนอนก็ไม่ใสะดุ้งขวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้างใช่ไหมนั่นกฎหมายจะตั้งกีฬา ล, ล่านก็าตามถ้าไม่มีเส้นห้ามันก็ไม่อยู่ใช่ไหมนั่น ทำไมจึงอาบน้ำเพราะมันสกรปรกทำไมจึงปฏิบัติศีลธรรมเพราะจิตใจมันมีกิเลสจริงๆใช่ไหมนั่นเพื่อให้บรรเทาบ้าไอ้กิเลสหนบรรเทาตั้งแต่กฎหมายขึ้นมันก็มาอยู่ใช่ไหมนั่นพระบรมศาจารย์ไม่มีกิเลสเลย ทุกๆพระองค์ไม่ได้ไไดไไไไไตั้งธรรมะเข้าข้างตัวคนชั้นต่ำเอาไปใช้ก็ได้ผลตามส่วนควรค้าของเหตุที่ปฏิบัติน้อยและมากคนชั้นสูงก็เหมือนกันไม่ได้ถือพักถือพวกวิธีใครับอธิกรณ์ในข้างพุทธการก็มีในที่พ่อมนม่สงในที่พ่อแา่บุคคลในที่พ่อมน่วัตถุในที่พ่อแม่ธรรมเรียกสามควินย สองความที่สองสระกาศให้สมมติแก่พระรหัารว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะไป็ใครโจทย์ท่านเรีย ก, กสติวิ น, นัยจำเลยเป็นพระรหา์มีสติภัยบูรไม่เป็นหน้าที่ของจำเลยจะทำละเมิดดังที่โจทย์กล่าวหาสวดกรรมวาจากจารไว้เพื่อให้สติวิ น, นัยแล้วยกฟ้องของโจทก์เสียแต่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำกันเพราะไม่รู้ว่าใครเป็นพระรหา์ ความที่สองสภปปากาศถ้าสมมติแก่ภิกษุผู้หายเป็นบ้าแล้วเพื่อจะไปใครโจด ท, ท่านว่าอาบัติที่เธอทาในเวลาเป็นว่าเรียกอมูลราเวนันอันนี้ก็ไม่ได้ค่อยจะได้ระงรับอจิคอกัน ค, ความปรับอาบัติตามมาติญญาของจำเลยเพื่อรับเป็นสัตว์เรียกมาติญญาตะกรณะอันนี้ระงรับแบบหนึ่ง ความตัดสินเอาตามคําของคนว่าเป็นประมาณเนี่ยเยพยัสิกาอันนี้นะ ง, งับแบบหนึ่งแต่เยพยัสิกาข้างพุตธการมีขอบเขตเธอจะเรียนจบพระไตรปิฎกก็าตามความประพฤติของเธอไม่ดีไม่ให้มาออกเสียงแต่ชาวโลกเราทุกวันนี้ไม่ออกเสียงให้กูกูเอาตังจ้างใช่ไหม มัน ก, ก็กลายเป็นประชาที่พักเงินถูกไหมพูดดังๆอย่างนี้ไม่กลัวตายความให้ความลงโทษแก่ผู้ผิดเรียกตัตภาพิยะสิกากรรมตัตปาพิยสิกากรรมกรรมเพิ่มโทษแก่ฟิกษุผู้ประทุษรามก ให้การกลับไปกลับมาพูดถลาถลาข้อกบเกลือนที่สูกสักถามพูดงุศาซึ่งหน้าปฏิญญาณแล้วปฏิเสธปฏิเสธแล้วปฏิญญากลับไปกลับมาก็เพิ่มโทษขึ้นนี่ลังกับแบบหนึ่งแบบหนึ่งความให้ปณีปนามนอมกันทั้งสองฝ่ายไม่ต้องชำระความเดิมเรียกติ น, นวัตานเก่ายังไงฟกกรรมเลยเป็นอาบัตเล็กน้อย แต่ต่างฝ่ายต่างมีบริวารว่าทางจำเลยก็ดีทางโจทก็ดีแต่เพนอาบัตเพียงเล็กน้อยให้ไกลเกลี่ยกันซ ะ, ะนะวิธีระงับอาเทียกรแต่อาเทกรชนิดไหนควรระ ง, งับด้วยวิธีสมถะอะไรมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ชำนาญอีกแต่ฉานในอัดในทมด้วยรูปพระเวนารูปบทกหลนในภายหลังลูกทอง เข้าอนุสนทิกันได้รู้ทำรู้ในทั้งเบื้องต้นเบื้องกว่าเบื้องปล า, ายได้ mm hmm. พระบรมศาสตร า, ษ า, ษ า, ษาสอนใหมดแล้วแต่คนไม้คนหมูของเขาก็ตั้งออกไปจากคำสอนรุธศาสตร์นั้นเองไอ้แท้ๆเขาไม่รู้ตัวยี mm ่ส hmm. ิบปีกำลังสิกธิคัดเลือกทหาร ยี่สิบเอ็สี่อย่างข้าม่าสองพันสี่รอยเกจะ่าละเลือกทหารไปตอนง้อซอยไอ้เร่เท้าเอ้ไว้ท่านอ้ผัว้หน้าปว่ไว้่นไปกินเขาพุ่นก็ได้ไว่านสูวันพุ่มแห้งบักเพิงพูนึงเนื้อว้ท่นงมันตอดแกไว้ท่านบักเพิงพูนึงว้ท่านมึงพูนึงไว่านมูเขาก็ะตีซอยจะอกว้ท่าน พอขาวา่าโตแห้งหัวดังเพียเพ้ยงแ้บเปียงบเระว่นนาเนาะพอหอดมือก็ไปแล้วไปตอนเอาเขาแคบระบาดเนี่ยเอาเขาแคบกับป้าหมาลองผูกคดหมูมูเขากัะซอยรอกหัวรลามันเลาะหัวเลาะมันมึงจะสูุห้องแล้วบักคีโรบักคีงู้ว่าฉันเขาจิตทับบักแค้ห้ำให้มึง คันวัฒนบักใครห้ำให้มึงอมันว่าได้มึงไปส่อนเขามึงมึงจอยว่าสั่นขายบ่อออกว่าั่นมึงจะงงโง่ตายร้ายว่าสั่นวดเอาพ่อน่ว่าอลร่อเรียนถือเป็นของสนุกสองพันหรอยยี่บสองมันก็มาแปลงหูแปลงสวมให้เาสั่นอันี้ น, น, นั่นน่ะนั่นนั่นเห็นกรรมวาละนะกรรมใดใครก่อก็จิตใจเป็นผู้ก่อขึ้นเชื่อกรรมแล้วผลของกรรมคักปนยังห่อ ให้มเชื hmm. ่อกะซงเข้าแต่เชื่อตาย้ะเกิดตายระเกิดมากก็ไม่เห็นม่ทาเนี่ยทรมหาสมุทรน้อยโกดมหาสมุทรกะซงเข้ากตถือพระพุธพระธรรมประสงค์อยู่บราว่าแต่แต่สิได้มาควนนยาในศาลนี่แหละไ้ว่าองศาว่าง้ยสิว่าได้ก็ตามตาย้วเกิดตายะเกิดมากก็ไม่เห็นไม่ทาเนี่ยทรมหาสมุทร้อยโกดมหาสมุทรเข้าก็ยังเชื่อถือพระพุทธพระธรรมประสงค์อยู่เดียวเนี่ยเข้าลูกปานั่นลรือเขามูโตสิว่าปานั่นคือเข้าว่าหรืว่าฟันพ่อเสียงหรอพรอะอ้มงี้นบ เอาลงไปนั่นไมเขาสิพ้นว่าพ้นก็สร้างใั่นสร้านี่วะสันตายเลเกิดตายเลยเกิดยังสิถือพระพุทธศาสนาโย ว, วาสันย่งที่เข้ารับพระพุทธศาสนาโย ว, วาสันแล้ว ยังเกณฑ์ีรตนังโลกเกวิชติวิธังมูตูัตนังพุทธสมานนติตัตมะโสที่ะวันตูเตรัตนะอันใดในโลกนี้จะสมอเหมือนพระพุทธประธรรมประสงค์เป็นไม่มีเลยเยจีจีพุทธทางสันนังคาตาเสนาเตะขมตทธันติอปายจะผูมิงปะหายะมานุสังเทหังแกวกาหยังปฏิภูเรศสั้นตีติผู้ใดถึงว่าพุทธประธรรมประสงค์ก็ดีนโลกเลยแล้วไปบันเทิงในสวรรค์โลกทีเจ้านั่น พระพุทธเจ้าแท้สามวแล้วมีมากเม่่รกรกับพเสือ่พระานเาอยาจะไปแอบแย่จงเขากับพระเสือม่่พระพุทธเจ้าสอนหห้องเบื่อนายความหลงจากของได้เดี๋ยวนี้เบื่อนายความหลงบห้มากหลงเกิดหลงแก่หลงเจ็บหลงตายอีกเลยเนี่ยทําสันสูงเหรอเอออย่นดีนะพระเนปาลบ้านมากเกิดแก่เก็บตายเหือนบนเดียวมันประพานมากเกิดแก่เก็บตายเหมือนอยินดีแน่ท่านนนี่สันสูงเนี่ย ถ้ำสัต้ามกับเรียมไสนมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินะ ส, กกสมบัติรนะสถสันสูงกเรียมไส้พันิพภานสมบัติเดียวชิงนิ่งโลดไปเดียวให้ขอท่านแม้ทักพักเสร็นหนึ่งกวังเพื่อพานธุภาอไว้พุทธโทษขั้นหนึ่งกวังเพื่อพนนันธุพานวันบันชีไว้รอกินขนงเขาอาว่าเขาว่าโตมีขอวัด <c oughs> <c oughs> เม่อเชียได้ร่วงระมดเส้ยนหาเข้าใจเรื่อตัวนี้เมื่เชียด้อยากถืออยากเรียนอบายยมุกเ่อเชียได้อยากถือย่ยงห้องกับพันบ่เชียดอยากจะขายเครื่องอาหารขายมนุษย์ขายสัตว์เป็นเลตัวครับตัวขาเปลนอาหารขายหล้าม้าขายยาพิษเ่อเชียได้จะขาย่เชี่ยไดจะขายขายสิ่งใดเม่เชียได้เช่นนั้นเ่อนักไก่พอาด้พี่จน่าสัตมันกับ่เชียได้ คือเขามาถามหลว ง, ลงปาาู่นะหลวงปู่สูบยาว่าจะอายุเท่าห่มันเป็นหลอกหัวใจเลเขาถามามาไหนไม่ให้สูบให้จังไหนหลวงปู่ยังเสียเศร้าไรอ่ะมยแต่สูบก็ยังสูบได้เศร้าเท่าบ่ได้เศรษฐาตัวเมีวมันหน้าจังไหว่าเขาพักตูเขาได้ประทะออกออกบ่ได้เศรษฐาตัวเวีเยวมันห้าจังไหนวะหลวงปู่จะเห็นจังไห้สิเจ้าก็อบอกใบคาปากว่าจะเลี้ยงาเขาบอกว่าฉันเนี่นยก็เพาะแต่สูบยาเล็กเสมอเนี่ยอดมาไหนห เ้าเศ้าบ้าในี่หกปีแล้วเนี่ยมาเข้ากับอะไ้เขียวถ้าสู่บ้านเดียวก่นจะอายุสิบหาปีนเศาเศ้าได้เออเศร้าเนี่หก ป, ปีปปและจะสองพันหรยสามสิบปยัดปีนี่เอวเออาเอาเขาปากมาถแล้วม่เขาอะไรวะภาษาสูบยาอยากเศร้าเศร้าบปไห น, ไ น, น, น, นสิไปมาคนใาเกันยังในภาษา่นาวางอย่ของหน่องของมุนีน่พวกกินเหล้าเพื่อกันละ ตักินแล้วบดเร้าเร้า่าเปลี่นเสียว่าตัวมีปรญหนาังไหฮาวังเีรเรเล่นงเนพาเนวัดนเมือมันก็เลีนว่าพอแห้งหมันก็บว่าาไปยังกันตเลียนก็ยังเรียนเป็นบท่าเร้าบระทาเห็นโทษผเห็น่เป็ีนนี่ก็สีว่าตัวมีปรญหนาังไหนสันนาวาอืมทานีนมันแมีนควาพระเจ้าว่าเรพุทธผลเอกพระพุทธเจ้าว่ามันจะเิศมันมันเจยพายเพื่อนี้เป็นเศรษฐีอย่างเีนเรื่องที่สั่ก็มีแต่ไปกี่ขาเพิ่นตัวแมนบเรียนไห้ก็บวัาไทยเรนหน้ากับวัหน้าแมนหอ กองแขนก่องขาพ่อแม่ปัญหายแต่คำว่างการบนเอาไปแพร่ไปเพี้ยนว่าในเลขเวิดแม่นบอกาว่ามุจาร์โกรดกันพูดอะไยังติดเลขติดพระติดบัดติดเบอร์ติดพิธีปีตองติดเสยศาสตร์อยู่นะพูดอ่านทั้งวันถังทำพระองค์เก่าอืมหลวงปู่มันไปพูกพระบางโู พวกผ้าพวกรผาพุทธลูกเล็กน้อยนี่เอามาปุ๊กไปปุ๊กวันี้ยังเป็ี่ยนป้าบอกว่าท่นเพิ่นเป็นป้ากวนเท่าแล้ววะท่านรถผู้มันไปปุ๊กเศษเส้นเพิ่นมาเสษกับเพิ่นขังเศษที่จะคล้องไปยังขังมาท่านเพราะว่าเพิ่นขังพวกแหงแล้ววะท่านระเหตุพุทธาพิเศษพิสาคนพุทธ่าพิเศษเนี่ยมันเกิดมาที่หลังล็อกู้หมันเนี่ยตะกี้ล็อกูหมันว่มีได้บ่ฝ่ายเหตเนอ ถ้ามุนมันเกิดมันเห็งหลังขวงผู้มันเนี่รอกอืมถ้าพิเศษหลังพวกผู้มันอยากไม่สนีก็จงให้ทานอืมคัด ก, กับตัวเหีไม่สีนหายะเชไดเรี ย, ยนอบายยมุกให้ผูกขาดจองขา ด, ดทั้งมหุทธพระธรมพระสองฆ์อยู่ตรงมือก็มีขนันตนตัว เจ้าจะไปเดินจบท่อหน้า hmm. วัดขึ้นหัาเมือเศร้ามันยั่งเป็นอารมณ์อยากเรียนเลขเนผาเล่นบ mm ้านเร่นเบอร์อยากลองละเหมือนชิ้นหนจนมันกับโมเมนนี่เมื่อก็ับไปกบฝ่าดอกบัวเลยอ่ะไปเช็ดก่อนเอาละไม่น่ะไปชุกปะชุกน่ะ เฮ็ดเพียงจีนชุกเพียงตาเฮ็ดเพียงตาซุกเพียงฝ่าเฮ็ดเพีงฝ่าเขาโชพระนพานดยเดชพระพุทธศาสนาธรรมาสตรศาสาสัศาสตราสนาจะาากับเป็นชุกจะทุกมาบกมีประวัตถามเจ้าเถาเขาโชว์พระนิพานเขาขาดเถือนไปห่างเลไปอู้หองามงงาว่เท่าจักรีอืมแล้วมีข้อมขื่นข้อมล่งเปล่าอะไรเสบบุก็ตอนักัน ที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่่น่อมูลค่าในที่นี่มีกี่บาทก็เมื่อกี้นี่อ้อมูลค่าที่พอนานาในที่นี่มีกี่บาทนี่โอ้น่าพอยสามมืเจ็อยสองพันสามรอยเจ็ดรอยแปดรอย แล้วก็แบ่งออกถวายท่านเจ้าคุณสักหมื่นบาทก็เรื่องเป็นเรื่องของวัดภูเจ้าะก่อแล้วบอกแล้วรับแล้วเ <laughs> ขารับแล้วก็แบ่งแล้วจะไี้แบ่งให้ด้วยแล้วแต่หลวงปู่พวกผมไม่เกี่ยวเมื <laughs> ่ออกให้วัยรุ่นจะกอ อ, อ, อ, อจังจังบอกกันทีหลัง <ห>จังสักทีหลังจังสักทีหลังบาทจากขอคารวะหลวงปู่บาทจาาะทจเดินทางไปหนาต่อคุณนะไปทางไหนวัดดอยธรรมเจดีสกนลนครโอ้มันกับคำตรนตัวมือ น, นี่นไอยคำก็ไปผลตกกับแกงนำแกงกับร้อยบอยานพ่าแต่ได้ว่าทําบุญอ้าวทีใจังอ้าที่ัง อาวานนาคารวะหลวงปู่เด้อวัีคารวะหลวงปู่เด้อันนีเตรียมตัวทุกคนทุกคนอากาบกาบวยาปรชากรวยาพยชากรวัดพุทธประกาองแบออกมือนึงเรืองเงนหนึ่งเนเอาใหรเอาเอาวยาปรชากรของท่านตะพุ่นขมือนึงเนาะ อะตัณโมผังกันนะโมจตจัปภะวะโตอาระหะโตสมมาสมุทัสสะนโมจตจัปภะวะโตอาระหะโตสมมาสมุทัสสะ นาโมท้า a าปะกวาโตอะ m ะหโตสัมมาสัมบุตตาเทเรหปามาณะนาด่าวลา a ตยนาคาตั a สาบอาปาลาทังกามโตนปันเจ เทเลปมาเนนาด่าวาลาเทยานกตาซาปังอาปาลาทังกามตโนพันเจเทเลปมานนดาวลาเทยาก สาบังอาปาลาทังกามาโตนอันเจมอบรองเทระชั้นที่หนึ่งคือพระสมมาสมโพธเจ้บบาชาั้นที่สองพระประจัจเจศทั้งหลายชั้นที่สามอรหันตาชีนาศกทั้งหลาย ชั้นที่สี่พระอนาคามีชั้นที่ห้าพระสักคาคามีชั้นที่หกพระโซดาวันพระเทระที่เป็นโลกุตระทั้งหลายเหล่านี้พวกเราทั้งหลายเนี่ยทําผิดท่านด้วยกายกรรมสามวจีกรรมสี 4, ่มโนกรรมสามอันใดอันหนึ่งมาแต่พบ ก, ก่อนก็ดีขอให้พระเถระทั้งหลายเหล่านี้จงทรงกระตุ้นให้แก่พวกเราทั้งหลายอยู่ทุกเมือ่อ คนทุกชาตพวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในวาระพุทธศาสนาของพระสมมานพรพุทธเจ้ายิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่วนโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเทินในระหว่างพวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่มาในมาในที่นี้ก็ดีทอดทางไตรโลกาต่างฝ่ายจางทำเหตุกันด้วยกายการกรมสามวิชีกรรมสีมนโนกรกรม ส, สมอะไรอันหนึ่งก็ดีขอให้พวกเราทั้งหลายทุกทนหน้าทอดทางไตรโลกาจงให้อโหสิกรรมแก่กันและกันทุกทนหน้าอยู่โดยทุกเมื่อค ท่านพวกเราทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญในมนรรคพุทธศาสนาความพุทธะสมุทรเจ้ายิ่งย่งขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่วนโดยไม่เหลืออยู่ทุกเมื่อเชินห้างจุง่มให้พิมายความมิตามาังมารมะาพันเจยาสาวบางกตังกามังกุทริยานาปิหิยติสุมังโลังบาาพ า, า, พ า, าเรีสีภูมโทวจรติมาอภิวาทชนสิญานิจางมุทาราจายโนชะตาโรธรมาวัตันติอายุวณูสุ ข, ขัง สัตว์ันเดอต่อไปนี่ก็เตรียมตัวทำวัดท่ า, านอาจารย์บนเพลงประรัพเพงก็ว่าหลวงปู่หาบั ว, วใส่ชื่อว่าประรัพเพงไม่อย่างน้โอ้ยใครด่ากันแล้ววะเนี้ย <laughs> <laughs> เอา ของถวายวานะของถวายไนดะของอยากถวายโดยมือตัวเองก็อาจารย์นะองความแค้น่น ๆ, ๆเนี่ยปุ๊บูับจับอะไหนักอเดยเดยอย่ามีแฟบดีทุกอย่างต้องเข้าไมียงครบห เอ้าสามาจะทำมงเพ้นะามาจะทำงเ้นมาเยฮะตเองวนันตวอบาจสหนพวกไปแล้วปะเอออมาม้แล um> ้วเจ้าท um> ีน uh> um> um> um> ี การุณายีบกรุณายบการุณายาีบสักคู่กรุณายบสักคู่ า, ารุณาบสักคู่เอา้าน้ำมูลลุกอะไรเอ้า To oh, s a m m s a m b u d h a Sa Kasama. ที่พวกท่านทั้งหลายได้ประมาทข้าพเจ้ า, เาด้วยกายกด็ดีด้วยวาจาก็ดีด ใ, ใจกด็ดีทั้งต่อนหน้าและรับหลังแ ล, ล้วได้ก็ดีแล้วเกิดได้กด็ดีข้าพเจ้าขอจะพฤติกรรมนําเสียชิงโถในเป็นบาปเป็นกรรมอันหนึ่งถ้าหากว่าข้าพเจ้าประมาทพวกท่านทั้งหลายด้วยกายก็ดีวาจาก็ดี ใ, ใจกด็ดีทั้งต่อนหน้ารับหลัง ซึ่งเป็นอกุศลขอขอให้พวกท่านทั้งหลายจงโอติกรรมไปด้วยต่อแต่นั่นโดยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าแต่บำเป็นมาตั้งแต่ชาติจนถึงปัจจุบันนี้จงเป็นสารปัจจัยของพวกท่านทั้งหลายมีแต่ความผู้ถูกความเจริญป่าจยากสะพ่ทุกโศกและภัยเสนียจะไล่ทั้งหลายทั้งพวงป่าธนาสิ่งใดขอความป่าถนาจงเป็นผลสาเร็จจงเป็นผลสําเร็จอะหังคามาม่ตุ่มให้ปีเมฆมิตรปาง เอวังโหตุเอวังโหตุโยจะปุเบปมจิตวาปัจจโตนปมะจติโสมังโลกังภาเตติอภามุตโิมายัตตปังกังกตังกัมมังุสเลนาภิยติโสมังโลกังกภาพเติภามุตโิมาอภิวาทนาสิลิตนิจังโหธาปจายโนจัตตาโล โทมาวัันติอายุวันโนจุขังภารางังเสียงพระพุทธศาสนาเป็นเสียงที่วางเวนวางภัยใช่หรือไม่ศสียห้า เป็นศีลที่ปรดเพลีนภัยใช่หรือไม่ถ้าชาวโลกมีเสี้นห้าบริบูรณ์สงครามก็ไม่มีใช่หรือไม่กฎหมายก็ไม่ต้องตั้งมากใช่หรือไม่การตั้งกฎหมายไม่มองดูคำสอนพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดใช่ไหมเพราะผลของกรรมมันมี ผู้ใดเชื่อผลของกรรมก็คือเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั่นเองใช่หรือไม่มีศีลห้าว่าแต่รู้เรียงสามามีศีลห้าบริบูรณ์เว้นไว้แต่ผู้บ้าไหว้เสียเริียดผิดมนุษย์ซะก็ย่อมเป็นส่วนหนึ่ง ส่วนผู้ไม่มาใบ้เสียจิตผิตมนุษย์ถ้ามีชิ้นห้าบริบูรณ์แล้วสงครามจะมีไว้ทําไม่สตราอาวุธจะมีทาไมโโชตรวนก็ไม่ต้องมีเรือนจำก็ไม่ต้องมีคดีดำคดีแดงในโรงในศาลก็ไม่ต้องมีกรรมและผลของกรรมมันจบกเกษียนไม่เป็นมันตามไปตนจนถึงชาติเข้าสู่พระนาน ในทางดีก็เหมือนกันในทางชั่วก็เหมือนกันแต่พระอาหารหันต์จป็นโหสิกรรมไปแล้วมันก็ตามถึงพระอนาคามีพระอาหารหันต์มันตามไม่ถึงพระเหนือกรรมและผลของกรรมไปแล้วใช่ไหมไม่ต้องตั้งมาก โลกเอิดมาด้วยอะไรก็มาด้วยไม่มีกามีสมิธใชยกานั่นเองระ ง, งับไฟต้นลมละระ ง, งับลมต้นไฟแล้วในทางพระพุทธศาสนาแต่นะวพวกเรามาระ ง, งับกันภายหลังมันก็ไปไม่รอดวิชา สงบของพระพุทธศาสน า, ามีแล้วก้หมายกฎหมู่ก้พักดพวกตั้งขึ้นไม่มองดูพระพุทธศาสน า, ามันก็ไปไม่รอดทู้ที่ถือไม่มีบาปมีบุญนึกว่าจะเป็นเจ้าโลคมันไปได้ไหมผลของกรรมตามสนองกระแตกกระเจิงเลยนั่นนั่นนั่นคว้าน้ำไหลคว้าน้ามเหลียว แต่ว่าคว้านำเหลวมันยังติดมืออยู่บ้างอันนี้มันเป็นควาแดดควาลมมันก็เลยมาติดมือก็ไปไม่รอดอีพ่ออีแม่ภาคอีสานเอ๋ยเอาละทีนี้แต่ก็พูดนอกแม่พออธิบายพูดหลายก้อนนัดเดียวเสร็จเลยใช่ไหมงูมา ก, กระวังปาก เอาละสินี่ด้วยเดพระพุทธศาสนาจงเป็นสุขทุกทวันหน้าในพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ทุกเมื่อเทินสุขในพระพุทธธรรมพระสงฆ์มันเป็นสุขบานหน้าสุขในสุภเทปโนอุชุกในอุชุยายาสาเมจิเป็นสุขบานหน้าสุขต่ากว่านั้นลงมาเป็นสุขที่วนเวียน ภูมิของคารวาสก็มีศีลห้าบริบูรณ์บันฑิตโตคารมาวะสังบัณฑิตเป็นผู้ครองเดือนก็หมายคนที่ควรเชื่อได้ในทางพุทธศาสนาก็หมายถึงพระโสดาบันใช่หรือไม่พระโสดาบันไม่เสียดายโลละเมิดศีลห้าไม่เสียดายอยากเจริญอบายยมุข ไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากจะถือเลือกดียาวดีไม่เสียดายอยากจะครบเม็ดชั่วแต่ไม่ให้กระทบกระเทือนเขาไม่เสียดายค่าขายเครื่องผหานค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตเป็นในเนื้อสัตว์เจ้าตัวข้าพ่เป็นอาหารค่าขายนมเมาค่าขายยาพิษการค้าขายห้ายอย่างนี้สุปาิปานโนไม่เสียดายร่วงละเมิดเลยสิ่งใดไม่เสียดายร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่นักใจใช่หรือไม่เอวังเอาละสิ พวกเรากราบพร้อมกันลงปู่รับแขกแต่เช้าจนถึงเกือบเที่ยงเพิ่งได้พักเพียงสองชั่วโมงคอยพวกเราเห็นใจท่านจะกราบลาท่านกราบพร้อมกัน คำสอนพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่วางเวรวางภัยไม่ให้มีเวรีนภัยแก่กันและกันเลยนับแต่ศีนห้าเป็นต้นไปถ้าชาวโลกไม่สียนห้าบอรบูนเราก็นอนไม่สะดุ้งผวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้าศาตราอาวุธก็ไม่มีทหารตำรวจก็ไม่มีโซ่ตรวนก็ไม่มีเรือนจำก็ไม่มีเวรยามก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้า โรคเออดโรคอาจก็ไม่มีกฎหมายก้หมูก้พักก้พวกก็ไม่ต้องตั้งมากตั้งขึ้นมาเท่าไดไปตั้งขึ้นเท่าใดมันก็ไม่อยู่ถ้าไม่ละอายต่อบ่กลัวต่อบพพ่พระพุทธศาสนาสอนดีแล้วพระพุทธศาสนาเป็น มนุษย์สมัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติอยู่ในตัวถ้าล่วงละเมิดก็ตรงกันข้ามอบายามุกทุกประเภทมันเป็นมนุษย์ได้บัติสวรรค์นด้บัติพรมด้บัตินิพพานไิบัติอยู่ในตัวแล้ว ธรรมัญญาตาเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อัธัญญาตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักว่าสุขเป็นผลอย่างเหตุอันนี้ทุกข์เป็นผลอย่างเหตุอันนี้อันนี้มันเป็นธรรมของสุปฏิปนันโนและอุชุยัรยะสามีจิตเป็นลำดับโลกุตรธรรมธรรมสองโลกุตระธรรมโลกีธรรม 4, 4, คนมนุษย์สองมนุษย์โลกีมนุษย์โลกุตระ มนุษย์โลกุตระก็คือสุวัจนปโนโเรานี่เองจำก่อนนั้นลงมาก็เป็นมนุษย์โลกีใจสองโลกุตระใจโลกิยะใจทมก็เหมือนกันโลกุตระหมายเอาตั้งแต่ผู้มีสีลห้าบริบูรณ์เป็นต้นไปถึงไตรสนาคมไม่ใช่ได้ล่วงละเมิดเรียกว่ามนุษย์เต็มภูมิ มองเห็นพระนิพพานเป็นฝั่งแล้วไม่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ถอยหลังเลยจะบวชร้านพรรษาก็าตามจะปฏิบัติจินเจ ก, ก็าตาม หรือยิ่งย่อนอะไรก็ตามกี่ล้านปีก็ตามถ้าเสียดายล่วงละเมิดศีลห้าถ้าเสียดายล่วงละเมิดอบายามุกถ้าเสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันถ้าเสียดายอยากจะถือเลิกดียามดีอยู่ก็ยังไม่ใช่โลกุตระธรรมยังเป็นโลกีทมอยู่คือโลกีบุญหมดบุญแล้วก็ไปหาบาสมดบาปแล้วก็ไปหาบุญวนเวียนกันอยู่อย่างนั้นแต่เมื่อ มีโลคุตระอยู่ในดวงใจพอมาจาันเรื่องต้นนับแต่สพัพโสดาบันเป็นต้นไปแล้วก็บานหน้าไปทางเจริญเข้าสู่พระ涅槃จะชาหรือเร็วก็ไม่เป็นปัญหาสิงเหล่านี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะรู้ท้งนั้นมิชะนั่นแล้วจะขบพระพุทธศาสนาไม่แตก กฎหมายใดๆของชาวโลกที่ตั้งขึ้นมันไม่มองดูคําสอนพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเหมือนกันอนลมานอยู่ทุกหย่อมยา่าที่ร่วงละเมิดกันอยู่ทุกหย่อมย่านี่ก็พระเหตุไดก็เพราะร่วงละเมิดสินหานั่นเองใช่หรือไม่ถ้ามีสินหามาเล่นบแล้วจะตั้งมากทําไมกฎหมายกฎหมู่กฎพักกฎพวกของชาวโลก ตั้งเท่าใดมันก็ไม่อยู่พระไม่ละอายตาบาปพระไม่กลัวตาบาบก็ไปละล่วงละเมิดชินหานั่ น, นเองถ้าไม่ล่วงละเมิดชินหานอนก็ไม่สะดุ้งผวาพระไม่มีเวรอยู่รอบข้างขายของก็ไม่ต้องเฝ้าเครื่องหารนก็ไม่มี ค่าขายก็มีขอบเขตพระสมานาพิษฐเจ้าค่าขายเครื่องปรหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นไรเนี่ยสัตว์ที่ตัวข้าวไปเป็นอาหารค่าขายน้ำเมาค่าขายยาพิษการค่าขายห้าอย่างนี้เป็นทางไม่เจริญแก่ชาวโลกเลยทวโรมศาสตระล สมวัติของชาวโลกธบักการหนึ่งประกอบด้วยศรัทธาเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่ามีบาปมีบุญสองเป็นผู้มีศีลว่าที่สุดคือศีลห้าสามไม่ถือมองคลตื่นข่าวคือเชื่อกำไม่เชื่อมองคลสีไม่แสวงหาเขตบนนอกพระพุทธศาสนาห้ามอมเพลบิบนแต่ในพะพุทธศาสนาชาวโลกต้องตั้งในสมบัติธบักการและเว้นจากวิบัติธบักการซึ่งตรงกันข้ามพระพุทธศาสนาสอนหมดแล้ว จึงไหนพระพุทธศาสนาไม่สอนไม่มีเลยเหตุนั้นจึงยืนยันว่าสัตว์ถังสัพยัญชนะงเจวราภริพปุณังภริยทุตทางพรหมจายางประกาศเสศบ่ได้บุญแล้วทั้งอัฏฐะทั้งพยัญชนะตามาหังภควันต่างวิปุจยามีตามมหังภควานต่างสิริสานามามิธรรมังกรรมันกันสังฆกรรมันกันจึงยอมกราบไหว้ไม่ได้กราบว่าแบบโง่ เป็นธรรมารถยาใจคําสอนพระพุทธศาสนาใครเอาไปปฏิบัติก็ได้ผลตามส่วนคนค่าของเหตุไม่ขึ้นอยู่กับคนชั้นต่ําชั้นสูงชั้นกลางเลยใครปฏิบัติน้อยก็ได้น้อยใครปฏิบัติมากก็ได้มากบุคคลผููทําผิดก็เป็นพยานพระพุทธศาสนาบุคคลผู้ทําถูกก็เป็นพยานพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาสอนแท้ละชั่วทําดี กรรมและผลของกรรมเป็นพยานในทางพระพุทธศาสนาแล้วใครจะจับตัวไม่ได้อะไรตัวไม่ทันก็ตามเถิดผลของกรรมก็ตามสนองผู้ทำบุญก็เหมือนกันพู้ทำดีก็เหมือนกันพู้ทำชั่วก็เหมือนกันใครเป็นผู้บัญญัติบาปบุญคุณโทษดีชั่วถูกก็พระพุทธศาสนาเท่านั้นเหลือดอกนั้นอย่าเอามาเอ่ยเลย ถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันใช่หรือไม่กรรมและผลของกรรมมันมีอยู่มันตามสนองอยู่เราจะเบียดเบี้วสักเพียงใดก็ตามผลของกรรมที่ทำดีทำชั่วก็ตามสนองอยู่เหตุนั้นพระพุทธศาสนาทวบไม่เสียแร้งไม่เสีย ผู้ทำดีก็ได้รับผลดีผู้ทำชั่วก็ได้รับผลชั่วอยู่ทุกยุคทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยเธอจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาแล้เหนื่อยแล้วพูดมากปากหลายมาแต่เจ้าแล้ว <laughs> พูดมากปากหลายมาแล้ว <laughs> คำสอนของพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่วางเวรภัยไม่ได้หมกภัยไว้ในโลกในสงสารนับเตปานาทีบาดเป็นต้นไปถ้าชาวโลกมีสีลห้าบริบูรณ์ทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีโซ่ตรวนก็ไม่ต้องมีเรือนจำก็ไม่ต้องมีคดีดำคดีแดงในโรงในศาลก็ไม่ต้องมีผู้ใดเชื่อกำแมผลของกรรม ผูนั้นเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วนี่ร่าง น, นี้เขาอะไรนี่นี่ทำเป็นโรคบาลคุ้มครองโลกสองอย่างพ้าสมาธิพระเจ้าทุกๆพระองค์ก็มายืนยันอย่างนั้นจะไม่เขียนล้า น, านพระองค์อะเรกระสะตะโกตะโยมากกว่าร้อยโกฏ์ก็ตามก็มายืนยันคําอันนั้นวิถีประคองโลก ความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะปกครองโลกได้ถ้าโลกไมมีละอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วกฎหมายกฎหมู่กฎพระกฎพวกของชาวโลกกขตั้งมาอยู่อู้คองทำไม่นำคำานึงก็หมดที่พึ่งพิงเองอาศัยทำความชั่วในที่แจ้งมาได้ก็ไปทำในทีรับมิหนํำซ้ำก็ในที่แจ้งแจ้งด้วย ถ้ามาล่วงละเมิดไม่ละอายตบาะไม่กลัวตะบะแล้วมันก็ไปล่วงละเมิดสิ้นหาใช่หรือไม่ถ้าชาวโลกมีสิ้นหายบริบูรณ์แล้วกฎหมายจะตั้งมากทาไมตั้งแต่กฎหมายงบประมาณก็พอแล้วหรือภาษีอากรก็พอแล้วทีนี้เมื่อจิตใจไม่มียังอายตะบะไม่มีกลัวตบาะแล้วจะตั้งไม่เท่าใดมันก็ไม่อยู่ เหตุนั้นพระบรมศ า, าสดาทั้งหลายจึงไม่ยืนยันว่าลูกระเบิดนิวเคลียร์ลูกระเบิดปรมาณูเป็นเครื่องปกคลองโลกสิ่งที่ไม่มีเวณไมภัยเท่านั้นเป็นเครื่องปกครองโรกโด้วยเมตตาปาณีเท่านั้นตัดไฟต้นลมตัดลมต้นไฟแล้วพระพุทธศาสนาเหตุนั้นจึงไม่ควรเยาะยิงจองหองอวดดีต่อพระพุทธศาสนา ผู้ใดอวดดีต่อพระพุทธศา ส, สนาก็เท่ากับว่ากองทัพน้ำลายโต้ฟาไตรโลกธาตุทุกทนหน้าจะบ้วนน้ำลายขึ้นฟ้ามันก็ไม่ถึงมันก็ตกใส่หน้าของใครของมันทั่วทั้งไตรโลกธาตุจะเบียดเบียนพระพุทธศาสนาก็าไปไม่รอดพระ ผลผลของกรรมมันมีอยู่ใช่หรือไม่ผลของกรรมเป็นพยานเอกของพระพุทธศาสนาแล้วผู้ทําดีก็ได้รับผลดีก็เป็นพยานของพุทธศาสนาผู้ทําชั่วก็ได้รับผลชั่วจริงส่วนกรรมและผลของกรรมจะตามเร็วหรือช้าก็เป็นอิสระของกรรมและพลังกรรมไม่เป็นอิสระของผู้อื่นจะไม่กะเวลาให้อย่างนั้นอย่างนี้ถูกเคลือไม่ ผูดเช่ได้มาในทางที่ไม่ชอบก็ไปไม่รอดนั่นคืออะไรก็คือผลของกรรมเราก็เหมือนกันท่านผู้อื่นก็เหมือนกันผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมจะได้ทำแต่กรรมนีคือกายกรรมวจีกรรมอันนีมโนโกรรมอันนีผู้ไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมก็ทำสารพัดแต่เมื่อเจอก้างแล้วก็ร้องโอยโอยสู้ไม่ไหวไปไม่รอด ผู้ที่ถือว่า ไ, ไม่มีบาป ม, มีบุญก็แตกกระเจิงกันไปหมดแล้วทุกวันนี้กรรมและผลของกรรมเป็นพยานเอกของพุทธศาสนาทําดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วเป็นพยานเอกของพระพุทธศาสนาอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนแลยกรรมและผลของกรรมจะไปจบกันที่พระอรหันต์กรรมดีก็สร้างพอแล้ว กรรมชั่วก็ละพอแล้วกรรมดีก็สร้างพอแล้วกรรมชั่วก็ละพอแล้วก็อยู่เหนือกรรมเนื้อเหตุเนื้อผลไปสร้าเรียกว่าอโหสิกรรมโหสิเหตุโหชิผลอโหชิพืชอโหสิกิริยาบุญที่บานหน้าคือบุญอะไรก็คือบุญของสุปฏิปนโนบานหน้าบานหน้าไปจนจนถึงพระอนาคามีพอถึงอรหัตตะมักอรหัตตผลก็เนื้อบาปได้บุญไปแสีแล้วอ่ ครุกรรมฝ่ายหนักของทางพระพุทธศาสนาก็มีสองทางทางหนึ่งครุกรรมฝ่ายบาปก็มหาวิจินนรกปรลกันตานรกครุกรรมฝ่ายหนักก็อ น, นันติยกรรมห้ามาตัวฆ่าคามานาเปียตัวฆ่าคาประ วินาอรหัตค่าคาภะรหันโลหิตตุบาททำลายพระพุทธเจ้าสังยมพโงเหตไห่ฮ่อเคลื่นทุไปสังขเภยังสองแตกจากกันอัญญสัตว์ทุตเทศถือศาสดาอื่นก็ไม่สามารถถึงสุปฏิปโนได้เหมือนกันผู้ที่ถึงสุปฏิปโนก็คือผู้ไม่ใช่ได้อยากะถือศาสดาอื่น ชาจาพิษานานิอภัพโภกาตงุงอิธรรมเีสังเครัตรนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสวดทีโโ่หัวตุฉาจาฉะก็แปลว่าหก เพยียานานนี้อภิษฐานโทษอย่าง6นัก6มาตุค่าคามาราเพิ่อค่าคาเวลาอน Hatha ค่าคามทหารลงเหตโตบาททำลายพระพุทธเจ้าถึงยังลงเหตในอ้อเกินไปสังประเภทอยาถถ่างสองขี้แตกกันอัญยญัตัดตุเทศไม่ถือศาสตาอื่นนั่นภูมิปโธดาบันไม่ถือศาสตราอื่นเลยไม่ใช่ได้ล่วงละเมิดสินท่าไม่ใช่ได้ล่วงละเมิดอบายามุกไม่ใช่ได้อยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่ใช่ได้อยากจะถือเลิกดียามดีไม่ใช่ได้อยากจะค่าขายเครื่องปหารค่าขายมนุษย์ค่าขายสัตว์เป็นไรเนื้อสัตว์ที่ ค่าเพาะเป็นอาหารค่าขายนมเมาค่าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้พระสสดาวันไม่ใช่ได้ร่วงละเมินเลยวันทิโตกรมาวะสังคือบัณฑิตเป็นผู้ครองเรือนก็นับแต่พระสสดาวันเป็นต้นไปนั่นเองบุญก็ต้องวันหน้าไม่ไม่ถอยหลังบาปก็นับวันจะร้อยล้อไปไม่เหมือนบาปในโลกีส่วนต่ากว่านั้นลงมาแล้ว มันก็ออกเป็นประมาณไม่ได้เพราะไร้าบางทีส่วนเมื่อมีศีลห้าบริบูร์แล้วเหมือนพระสวสดาบันนั้นก็มีบางทีเดียวเท่านั้นเพราะจะถึงฝั่งพระนิพพานอย่างชาก็เจ็ดชาติและบางท่านก็สามารถจะสำเร็จพระหันในชาตินั้นอีกเสียด้วยเช่นพระอานอนท์เป็นต้น เป็นพระสวัดาดับลรอตํแหน่งเพื่อจะสำเร็จพระรหัตในชาตินั้นเฉยๆจะเรียกว่าเอกภพชีโกลังโกละสตักตุประมะมันก็ไม่ถูกพระสวัดาดับาลบางชนิดคอยตาแหน่งถึงสกทาคามมในชาตินั้นบางองค์บางท่านก็รุดถึงพระรหัตเลยดอกบัวสีเหลา มีในข้างพุทธการข้างนี้ก็มีเหมือนกันดอกบานก็บานเต็มภูมิดอกตูมก็ตูมเต็มภูมิดอกเสมือนน้าก็เสมือนน้าเต็มภูมิดอกใต้น้ําก็ใต้น้ําเต็มภูมิไม่มีแต่ข้างพุทธการข้างพจจุบันก็มีเหมือนกันเหตุนั้นจึงไม่ควรประมาทพระพุทธศาสนาพูดทําดีทําชั่ว ก็ไปเป็นพยานพระพุทธศาสนาทั้งหมดเออเราบอกแล้วอันนี้พวกคุณทาทําไมมันได้รับผลมาเราก็บอกแล้วเราก็ห้ามมาแล้วชาบารีบุญมาแล้วพระบรมศาสด า, าสั่งสอนทั้งมนุษย์สมัดสวรรค์สมัติพรสมัติมิพานสมัติ ด, ด้วยไม่มีนักธิใดใดเลยจะมาเหนือพระพุทธศาสนาไป พระพุทธเจ้า ท, ทุกๆพระองค์ก็มาทราบพรบอันเดียวกันไม่แก่งแย่งกันเลยไม่เหมือนชาวโลกชาวโลกกูดึงไปมึงดึงมามึงพวกหลายมึงก็ดึงกูไปกูพวกหลายกูก็ดึงมึงมาดึงมาตามกิเลสของตนใครบัญญัติบาปบุญคุณโทษประโยชน์และไม่ประโยชน์ถูกก็สัมมาพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นบัญญัติถูกถ้าพระทำไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทำได้เหตุนั้นเราจึงเคารพทำสัตธัมโมขรู กาตับโบเขารบทำจำนงด้วยจิตและกายวาจาอยู่ทุกเมเลีทีนี้ต่อไปนี่ก็ให้พรกันนะด้วยเด็กเขาก็แทศาสนาจงเป็นสุขทุกต้นหน้าทั่วทางใจโรคาอยู่ทุกเมื่อเทินเอาเอาย่อเลย